ด้วยความไม่ประมาทในเวลาเพราะรู้ว่าเวลานั้นเป็นสิ่งที่ไม่คอยใครเวลานี้จะค่อยๆเกินกินสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งร่างกายของพวกเราทุกคนให้หมดสิ้นไปถ้าเราไม่รีบเร่งมาทำสิ่งที่มีคนมีประโยชน์ที่แท้จริงเมื่อแต่ไปหลงไหลข้างใคร กับความสุขความประโยชน์ที่ไม่ใช่เป็นความสุขเป็นประโยชน์ที่แท้จริงเราก็จะคว้าน้ำเหลวไปของชีวิตจะไม่มีอะไรที่ดีที่จะติดไปกับเราแต่ถ้าเราเอาเวลาที่เรามีอยู่นี้ที่มีเหลือน้อยไปทุกวันทุกวันนี้มาให้กับการศึกษามาให้กับการปฏิบัติ ตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้สิ่งที่มีคุณค่ามีมีสุขมีประโยชน์ต่อชีวิตจิตใ จ, จของพวกเราเพราะว่าเมื่อร่างกายของเราตายไปแล้วความสุขทางโลกนี้เราจะไม่สามารถเอาติดไปกับเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญ และความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ชนิดต่างๆล้วนเป็นความสุขชั่วคราวชั่วขณะที่ร่างกายยังแข็งแรงยังสามารถทำอะไรต่างๆได้อยู่แต่พอร่างกายเข้าสู่วัยชราเข้าสู่ความแก่เข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าสู่ความตายร่างกายก็จะหมดสมรรถภาพ ไม่สามารถหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกฤจรถพสธลพระต่างๆได้เลยแต่ถ้าเรามาศึกษามาปฏิบัติวิธีหาความสุขของใจของที่จะอยู่กับใจและสามารถที่จะมีได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรก็ตาม ร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บหรือร่างกายจะตายถ้ามีความสุขทางใจก็จะสามารถมีอยู่ต่อไปเพราะความสุขทางใจนี้ไม่ได้อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการสร้างความสุขแต่อาศัยธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรามาศึกษาที่เรามาปฏิบัติ มาสร้างธรรมะต่างๆให้ปรากฏขึ้นมาในใจของพวกเราเมื่อมีธรรมะอันประเสริฐปลูกฝังอยู่ในใจของพวกเราแล้วใจของเราก็จะมีความสุขได้ตลอดเวลาตั้งตั้งตั้งแต่บันนี้ไปตั้งแต่ร่างกายยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายเราก็จะมีความสุขทางใจไปได้ตลอด พอ ถ, ถึงเวลาร่่งกายจะแก่จะเก็บจะตายใจก็ยังจะสามารถมีความสุขทางใจต่อไปได้เพราะใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายตามร่างกายแลนะสิ่งต่างๆที่ใจต้องการในการสร้างความสุขทางใจก็ไม่ต้องอาศัยไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีสิ่งต่างๆในโลกนี้ ไม่ต้องมีลาบยศสารเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสโภทภะชนิดต่างๆมาให้ความสุขกับใจใจได้ความสุขจากการปฏิบัติจากการเอาธรรมะที่พุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ยั่งยืนเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยร่างกาย เป็นเครื่องไม้เครื่องมือนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะนำลึกถึงกันอยู่เรื่อยๆในแต่ละวันที่มันจะผ่านไปผ่านไปวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรอยู่นี่คือสิ่งเป็นคําถามที่เราควรที่จะถามตัวเราเองอยู่ทุกวันทุกวันตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็เริ่มถามคําถามนี้ได้เลย ว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปวันนี้ก็ผ่านไปอีกวันหนึ่งแล้วเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังสร้างประโยชน์สุขให้กับใจหรือเรายัางสร้างประโยชน์สุขผ่านทางร่างกายอยู่ถ้าเราสร้างประโยชน์สุขท่านทางร่างกาย<ม>ก็เราก็ต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือถ้าร่างกายเป็นอะไรไปเมื่อไหร่ การสร้างความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็จะเริ่มมีปัญหาตามมาแต่ถ้าเราคอยสร้างความสุขทางใจอยู่เรื่อยๆเวลาร่างกายจะเป็นอะไรไปใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนใจของเราก็ยังสามารถมีความสุขได้อยู่ต้องคอยถามอยู่เรื่อยๆว่าเรากำลังปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่า มันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังทําตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือกําลังทําตามคําสั่งคําสอนของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่จะสอนที่จะหลอกให้เราไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภาพไปถ้าเรากําลังไปหาความสุขตามอํานาจของ โมหะอวิชชาความโลภความอยากต่างๆเราก็ควรที่จะสะดุ่งควรที่จะตื่ตกใจเพราะว่ามันเป็นการพาให้เราไปสู่ความทุกข์นั่นเองเพราะจุดหมายปลายทางของราบยศสรรเสริญของความสุขทางตาหูจมูกรินกายก็คือความทุกกองใหญ่ที่รอเราอยู่ข้างหน้านั่นเอง เพราะลาบยศเสริญสุกนี้มันเป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเวลาที่มันถึงเวลาสิ้นสุดลงเวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันหมดเวลาที่เราไม่สามารถที่จะหามันมาได้เวลานั้นมันก็จะกลายเป็นกองทุกข์ขึ้นมานอกจากเป็นกองทุกข์แล้วมันยังลากพาเราให้กลับไปหากองทุกข์ใหม่อยู่เรื่อย ต่อไปอีกด้วยหลังจากที่ร่างกายของเรานี้ตายไปแล้วอานาจของของโมหะอาวิชชาความโลภความอยากต่างๆก็จะผลักดันดวงวิญญาณของเราให้กลับมาเกิดใหม่ให้กลับมามีร่างกายใหม่แล้วก็ต้องมาหาสิ่งต่างๆใหม่อีกรอบหนึ่งเหมือนเหมือนกับที่เรากำลังหาอยู่ในขณะนี้ แล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ในรูปแบบต่างๆทุกจากความแก่ทุกจากความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกจากความตายทุกจากการสูญเสียพัดพากจากสิ่งที่เราลักเราชอบและทุกกักการที่จะต้องเผชิญกับสิ่งที่เราไม่ลักเราไม่ชอบนี่คือวิธีของการกระทาตามอำนาจของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา ที่ไม่มีใครรู้ลิศของมันนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอานาันตสาวกทั้งหลายท่านรู้ลิศเดชของมันท่านรู้ถึงความทุกข์ที่มันสามารถที่จะสร้างให้แก่จิตใจของสารโลกได้ท่านจึงพยายามต่อสู้กับมันทุกวิถีทางไม่ปล่อยให้มันมาหลอกมาล่อมาฉุดมาลากให้เข้าไปสู่กองทุกข์อยู่เรื่อยๆ จนในที่สุดท่านก็สามารถเอาชนะกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาได้อย่างราบคาบสามารถกําจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจของท่านได้ mm hmm. ใจของท่านก็เลยเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ถาวรที่แท้จริง ที่เรียกว่าบาลมสุคือความสุขของพระนิพพานนิบบนานังปรมมงสุขขังเป็นความสุขที่ไม่มีปุตุชนคนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราจะสามารถเข้าถึงได้นอกจากผู้ที่มีความภาคเพียรความพยายามที่จะเจริญที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงบรมสุขอันนี้ได้ไม่สามารถได้ด้วยความปรารถนาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถได้ด้วยความมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวการมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเดินเข้าหาพระนิพพานแต่เพียงแต่มีศรัทธานั้นยังไม่สามารถพาให้ไปถึงพระนิพพานได้ เพราะนอกจากมีศรัทธาแล้วก็ต้องตามด้วยความเพียรวิเยะ<ม>ความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนวิธีทำให้จิตใจกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจได้ด้วยการเจริญสติสมาธิและปัญญา<ม><ม>อันนี้เป็นสูตรตายตัว สำหรับผู้ที่ปรารถนาความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรปรารถนาความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆจําเป็นจะต้องมีธรรมเหล่านี้อยู่ห้าประการด้วยกันคือศรัทธาเชื่อความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีวิริยะความอุตสาหาภาคเพียรมีสติ มีสมาธิและมีปัญญาทั้งห้านี้เราเรียกว่าอินทรีห้าและพระห้านี่แหละคือขุมกำลังของจิตใจที่จะสามารถพลิกข้อมโมหะอวิชากิเลสตัณหาให้มันหลุดออกไปจากใจให้ได้ตอนนี้มันเป็นเจ้านายค อ, อยครอบครองจิตใจของสัตว์โลกอยู่ ถ้าสัตว์โลกใดสามารถที่จะพลิกกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาได้ออก็ต้องพลิกได้ด้วยพละหนี่อินทรีย์าและพละหา้าว่าอินทรีย์นี้ก็คือยังเป็นของเด็กอยู่เป็นระดับของผู้ยังไม่มีกําลังมากมีศรัทธายังไม่มากยังไม่เต็มร้อยมีวิริยะมีความเพียรยังไม่เต็มร้อย มีสติสมาธิปัญญายัางไม่เต็มร้อยก็ได้เรียกว่าอินทรีย์อย่างปุตุชนทั่วไปนี้ที่มีศรัทธามีความเพียรที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมต่างคำสอนนี้ยังมีเพียงอินทรีย์อยู่ยังไม่สามารถที่จะใช้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานี้มากำจัดกิเลสปัญหาโมหะอวิชชา ให้ได้อย่างราบคาบให้ให้หมดสิ้นไปจากใจได้<ม>ต้องสร้างศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้มีกำลังเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นพราหาขึ้นมาเป็นเหมือนกับเป็นขุมกำลังของผู้ใหญ่ขุมกำลังของเด็กกับขุมกำลังของผู้ใหญ่นี้มีความแตกต่างกันเด็กนี้ยังไม่สามารถทำอะไรได้มากมายไม่ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ที่มีร่างกายเจริญ เ, เติบโตเต็มที่มีพลังมีกำลังที่จะสามารถทำอะไรต่างๆได้อย่างง่ายดายกว่าเด็กที่จะทำได้ผู้ที่เริ่มมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เริ่มมีความเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสอนเริ่มจเจริญสติเริ่มฝึกสมาธิเริ่มจเจริญปัญญา แื่ว่ายังมีอินทรีย์อยู่ยังเพียงเริ่มต้นด้วยการมีอินทรีย์แต่อินทรีย์ก็จะกลายเป็นพาราขึ้นมาได้เหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ที่เราปลูกวันนี้ถ้าเราคอยมันคอยดูแลรักษาคอยลดน้ําพรวนดินคอยใส่ปุย๋ยคอยปกป้องวัชพืชที่จะมาคอยทําร้ายต้นไม้ถ้าเราคอยทำนุปบำรุงต้นไม้นี้ไปเรื่อย ต่อไปต้นไม้ก็จะค่อยๆจเจริญเติบโตขึ้นจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะออกดอกออกผลให้กับให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของได้ใจก็เหมือนกันใจก็เป็นเหมือนต้นไม้ที่ยังเป็นต้นไม้ที่ยังเล็กอยู่ยังไม่ใหญ่โตถ้าอยากให้ใจใหญ่โตใจต้องสร้าง อินทรีห้าให้กลายเป็นพระห้าขึ้นมานการที่จะทำให้อินทรีห้ากลายเป็นพระห้าขึ้นมาก็อยู่ที่การขวนขวายอยู่ที่ความภาคเพียเรเบื้องต้นก็สร้างศรัทธาให้เพิ่มมีมากขึ้นการจะมีศรัทธานี้ก็เกิดขึ้นได้สองทางด้วยกันทางแรกก็คือการได้อยู่ใกล้พระผู้ที่มีพระห้า เช่นพระอริยบุคคลทั้งหลายครูบาอาจารย์ที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเวลาได้อยู่ใกล้เคียงท่านแล้วทำให้ใจนี้เกิดมีพลังมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมของท่านแต่ละครั้งจะเป็นธรรมที่มีพลังให้กับผู้ที่ไม่มีพลังสามารถ ยืมมาใช้สร้างพลังให้กับใจของตนด้วยให้ให้กับใจของตนได้เวลาที่ท่านแสดงธรรมท่านก็จะแสดงถึงอนุภาพของธรรมที่ท่านได้ศึกษาที่ท่านได้ปฏิบัติมาว่าจะสามารถกาจัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาต่างๆให้หมดไปจากใจได้เมื่อได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็จะเกิดความยินดีเกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาขึ้นมา เกิดอิทธิบาทสี่ขึ้นมาอิทธิบาทสี่ก็คือพลังที่จะผลักดันให้ให้ใจใปสร้างสร้างอินสี่ห้าให้กลายเป็นพละห้าขึ้นมานั่นเองในแต่ละครั้งที่ได้ยินได้ฟังทมใจเหมือนกับต้นไม้ที่ได้น้ำต้นไม้ได้น้ำต้นไม้ก็จะเริ่มค่อยอเปลี่ยนจากอาการเฉาให้กลายเป็นอาการเป่งปังขึ้นมา บิกบานขึ้นมาใจที่เศร้าเศร้าหมองใจที่ตัดสจากําลังที่จะปฏิบัติพอได้ยินได้ฟังธรรมแต่ละครั้งก็จะทําให้เกิดมีพลังขึ้นมาสามารถใช้พลังที่ได้จากการศึกษาฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนนั้นมากระตุ้นให้ใจเกิด วิริยะขึ้นมาเกิดอิจิบาทขึ้นมาเกิดความยินดีที่จะปฏิบัติสู้กับกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาต่อไปแล้วพอได้นําเอาไปปฏิบัติพอได้เกิดผลแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผลใหญ่ผลโตแต่พอได้เกิดผลขึ้นมาแต่ละครั้งนี้มันก็ยิ่งทําให้จิตใ จ, จมีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นมีมั่นใจใน ศรัทธาความเพียรมากขึ้นว่ากำลังไปในทิศทางที่ถูกกำลังเข้าหาความสุขที่ยิ่งใหญ่กำลังกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจนั้นให้ให้มันค่อยๆหมดไปศรัทธาก็จะมีเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่เราอ่อนศรัทธาเราเกียดคร้านเรามีความลังเลสงสัยเราควรที่จะ สังเทศสังธรรมจากคูบาจารย์หรือจากพระไตรปิฎกก็ได้อ่านพระสูตรที่คัดมาจากพระไตรปิฎกก็จะทำให้เรามีกําำลังจิตกำลังใจที่จะเร่งการปฏิบัติของเราให้ให้มีเพิ่มมากขึ้นเช่นถ้าได้อ่านพระสติปัฏฐานสูตรก็จะได้เรียนรู้วิธีการเจริญสติวิธีนั่งสมาธิวิธีเจริญปัญญา แล้วจะได้ัได้ยินได้รับการรับรองจากพระพุทธเจ้าด้วยว่าหากสามารถจเจริญสติสมาธิปัญญาได้ครบถ่วนบริบูรณ์ <c oughs> การหลุดพ้นจากความทุกข์คือการบรรลุปเป็นพระอริยบุคคลนี้ย่อม <c oughs> เป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างแน่นอนถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะต้องได้ผลอย่างแน่นอน พอได้รับการยืนยันจากพระพุทธเจ้าโดยตรงจากพระไตยปิดกจากพระสูตรคือสติปัฏฐานสี่แล้วได้ทรงแสดงวิธีเจริญทมต่างๆจากอินทรีย์ให้เกิให้กลายเป็นพระห้าขึ้นมามันก็จะทำให้ศรัทธา ท, ที่ที่ยังไม่แข็งแรงยังไม่มีกำลังก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้น ที่จะผักดันให้เกิดความเพียรตามมาความเพียรที่จะปฏิบัติตามที่พระเจ้า ท, ทรงสั่งสอนคือให้หมั่นจเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลาหลับมไม่ควรจะกระทำอะไรโดยปราศจากสติสตินี้เป็นธรรมที่สําคัญอย่างยิ่งสําคัญต่อทุกกรณีไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอน จะทำอะไรก็ตามจะดื่มจะรับประทานจะแต่งเนื้อแต่งตัวจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนุ่งทำะไรต่างๆในแต่ละวันต้องให้มีสติคอยควบคุมใจอยู่ตลอดเวลาควบคุมใจให้อยู่กับการกระทาของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วก็เกิดกิดเลสตัณหาขึ้นมา ที่จะสุดลากใจให้ไปสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยไม่รู้สึกตัวให้คอยควบคุมอารมณ์ต่างๆอย่าไหลตามอารมณ์อย่าไห ล, า ต, า ล, าลาตามความคิดต่างๆให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือถ้าอยากจะใช้การใช้คำบาลรรมพุทโธพุทโธแทนการเฝ้าดูก็ได้โดยจะใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปก็กกทำได้ กำลังทําอะไรอยู่ก็ให้ระลึกถึงพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดหนึ่งใจให้อยู่กับงานที่ร่างกายกําลังทําอยู่แล้วพอมีเวลาว่างก็ให้นั่งสมาธิกําหนดดูเปลี่ยนจากการดูร่างกายมาดูที่ลมหายใจเข้าออกแทนพราะเวลาที่นั่งสมาธิร่างกายไม่ได้มีการเคลื่อนไหวไม่มีการกระทําก็เลยไม่รู้ว่าจะดูอะไร ก็ให้เปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกให้ดูที่ปลายจมูกลมเข้าก็รู้ว่ากําลังเข้าลมออกก็รู้ว่ากําลังออกรู้ที่จุดที่สัมผสัสเข้าออกคือบริเวณปลายจมูกหรือเหนือริมฝีปาก ข, ขึ้นมาให้เฝ้าอยู่ตรงจุดนั้นจุดเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาแล้วก็ไม่ต้องควบคุมบังคับลมให้หายใจสัน้นหายใจยาว ให้ให้ใจหายไปตามตามธรรมชาติของเขาถ้าตอนต้นลมหายใจอาจจะรู้สึกสั้นอาจจะรู้สึกว่าอยาบก็ให้รู้ว่าตอนนี้ลมหายใจสั้นลมหายใจยังหยาบอยู่แต่พอนั่งไปเรื่อยๆจิตก็จะค่อยๆสงบลงลมหายใจก็จะค่อยๆละเอียดตามจากการหายใจสั้นก็จะกลายเป็นหาย หายใจยาวจากลมที่หยาบก็กลายเป็นลมละเอียดขึ้นมาไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมไม่ต้องไปทําอะไรกับลมเราต้องการใช้ลมเป็นเพียงที่ผูกหรือที่เกาะใจไม่ให้ใจไปไปกับความคิดต่างๆท่านนั้นเองให้อยู่กับลมมีความคิดมาคิดมาชวนให้ไปคิดตามก็อย่าไปอย่าไปคิดตามให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเพียงอย่างเดียว หรือถ้ามีอาการอื่นๆปรากฏขึ้นมาในขณะที่ดูลมก็ไม่ต้องไปสนใจอาจจะเกิดอาการคันบ้างตรงนั้นตรงนี้อาจจะเกิดอาการเจ็บตรงนั้นตรงนี้ของร่างกายก็อย่าไปสนใจอย่าไปทำอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าถ้าเราไปทำปั๊บมันก็เหมือนกับเราไปเราทิ้งการภาวนาไปเราเราก็เหมือนกับกลับไปเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ทุกครั้งที่เรากลับมาเก่า ทุกครั้งที่เรามาขื่นน้ำลายหรือทุกครั้งที่เราคิดว่าตอนนี้ร่างกายเราเอียงไปทางซ้ายบ้างเอียงไปทางขวาบ้างแล้วก็พยายามที่จะขยับให้มันปรับท่าใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ถ้าทำแบบนี้การภาวนาก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางคือเข้าสู่ความสงบการจะเข้าสู่ความสงบได้ใจต้องปล่อยร่างกาย ต้องไม่สนใจกับอาการต่างๆของร่างกายให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไปเพียงอย่างเดียวถ้าไม่อยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องใจก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ให้ดูลมไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่มาบากกดมาให้รับรู้แล้วแม้แต่ลมหายใจถ้ารู้สึกว่ามันหายไปไม่สามารถจับลมได้ ก็ไม่ต้องตกใจให้ดูลมที่ปลายจมูกต่อไปให้ดูว่าตอนนี้ลมไม่มีแต่เราก็ดูที่จุดเดิมไปเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นดูที่จุดไหนก็อยู่ที่จุดนั้นจุดเดียวเราต้องการทำใจให้เป็นหนึ่งถ้าใจอยู่จุดเดียวใจก็จะเป็นหนึ่งเมื่อใจเป็นหนึ่งได้ใจก็จะเน่งในที่สุดพอลมจับลมไม่ได้ไปสักระยะหนึ่งถ้าเราดูต่อไปในที่จุดเดิม ใจก็จะเข้าสู่ความสงบตามลําดับต่อไปอย่าไปตื่นเต้นตกใจอย่าไปวิตกว่าไม่มีลมหายใจแล้วเราจะตายอันนี้ยังไม่ตายยังไม่ลมยังมีอยู่เพียงแต่ลมมันหนา จ, จะละเอียดเ <c oughs> กินกว่าที่สติของเราจะจับรู้ได้รับรู้ได้ก็ให้รู้ว่าตอนนี้ลมกำลังละเอียดมากให้รู้เฉยๆอ ย, ย่ายให้ใจคิดปรุงแต่งขึ้นมาเพราะถ้าคิดปรุงแต่งแล้วมันก็จะ มันก็จะปิดก้นการเข้าสู่ความสงบของใจให้รู้เฉยๆไปแล้วไม่นานใจก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้ตอนด่งเข้าสู่ความสงบลมก็หายไปปล่อยลมไปร่างกายก็หายไปจิตก็อยู่กับจิตตามลำพังอยู่กับผู้รู้สักแต่ว่ารู้เป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงขณะที่สงบก็ ก็อยู่ในครั้งก็จะไม่อยากไปทําอะไรอยากจะรักษาความสงบนี้ให้ไปมากๆให้ไปนานๆเ <c oughs> พร<อ>าะว่ามันเป็นความสุขที่เหนือกว่ า, วาความสุขทั้งปวงถ้าได้เข้าถึงจุดนี้แล้วไม่ต้องไม่จะไม่ถามว่าจะต้องทำยังไงต่อไปเหมือนคนที่ให้ของมีคุณค่ามาให้เพชรน้ำหนึ่งก้อนเท่ากับเอก๊าปั้นมาให้ถ้าให้เขามาแล้วเราจะไม่ไปถามเขาว่าจะให้ทําอะไร เราก็จะเก็บรักษาไว้อย่างดีฉันใดถ้าเราได้รับความสุขความสงบจากการเข้าสมาธิแล้วตอนนั้นเราไม่ถามใครแล้วว่าจะทำไงกับความสงบนี้ดีเราก็จะเพียรรักษาให้มันอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้โดยการมีสติเฝ้าดูอยู่กับความสุขนั้นไม่ปล่อยให้ความคิดเล็ดลอดเข้ามาถ้ามีความคิดเล็ดลอดเข้ามาก็ต้อง กำจัดมันอย่าไปสนใจกับมันอาจจะต้องใช้จะกำลังสติขึ้นมาใหม่ครั้งถ้ามีลมให้ดูก็กลับมาดูวมต่อ <c oughs> เพื่อที่จะรักษาให้ใจกลับเข้าไปอยู่ในสมาธิให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ น, น, นี่แหละคือวิธีการของการสร้างศรัทธาให้มีความ <c oughs> แก่กล้ามีกําลังมากขึ้นคือการได้รับผล จากการปฏิบัติเพราะไม่มีอะไรจะดีเท่ากับผลที่ได้จากการปฏิบัติเป็นเครื่องยืนยันว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสวากขาโตภะวะตาธรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วตรงกับหลักความหลักความเป็นจริงทุกประการไม่มีอะไรที่จะต้องลังเลสงสัยทาตามให้ทตามได้เลยทาตามแล้วก็จะได้บรมสุขได้ปรมังสุ ข, ขงอย่างแน่นอน แต่ว่าต้องทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องอยาทำตามอยาททำข้ามขั้นตอนเมื่อข้ามขั้นตอนแล้ว <c oughs> มันก็จะไม่เกิดผลขึ้นมาเมื่อไม่เกิดผลก็จะทำให้เกิดความลังเลสงสัยความจริงแล้วต้องมาสงสัยในการกระทำของเรามากกว่าลังเลสงสัยในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องมาตรวจตาดูว่าการกระทำของเรานี้ถูกต้องหรือไม่ เราทำตามขั้นตอนที่ทรงสอนให้เรากระทำกันหรือไม่ถ้าทำไม่ถูกก็ต้องกลับมาใหม่เช่นนั่งนั่งไปดูลมได้ปับ๊บสองปั๊บแล้วก็หายไปมานั่งคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ถ้านั่งแบบนี้ไปกี่วันกี่คืนกี่เดือนกี่ปีก็ไม่มีความไม่มีสัความไม่มีผลที่จะเกิดขึ้นตามมา ต้องนั่งแบบไม่คิดอะไรให้สักแต่รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวนี่กรณีคำ น, นัดพู้ที่ใช้การใช้ใช้การดูลมหายใจเข้าออกใช้ดูร่างกายเวลาที่เจริญสติเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิเวลาที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหวต่างๆก็ให้คอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายผูกใจไว้กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย เพืไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆแต่ถ้าใช้กรณีกรณีใช้คําบริกรรมพุทโธก็ให้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธไปตลอดเวลาเช่นเดียวกันร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ก็พุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลามานั่งสมาธิก็ดูก็ใช้คําบริกรรมพุท่อพุทโธต่อได้โดยที่ไม่ต้องดูลมเลยก็ได้ เวลานั่งสมาธิก็ใช้พุโทโธต่อพุโทโธพุทโธตามที่เคยทำพุโทโธมาในขณะที่ยังไม่ได้นั่งให้อยู่กับพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับลมหายใจเขา้าเพราะมันจะเป็นเรื่องยุ่งยากมันจะทําให้ใจเป็นสองใจต้องวิ่งไปกับพุโทโธวิ่งไปกับลมหายใจใจก็จะยา ก, กต่อการที่เข้าสู่ความสงบได้การจะเข้าสู่ความสงบได้ในี้ใจต้องเป็นหนึ่งต้องอยู่กับเรื่องเดียว ยังก็ให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกไม่ต้องพุทเข้าโทออกไม่จําเป็นไปนงานมากขึ้นโดยใช่เหตุเราต้องการลดการทํางานของใจให้น้อยลงให้เหลือเพียงแต่งานชิ้นเดียวอย่างเดียวถ้าจะพุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวถ้าจะดูลมก็ดูลมไปอย่างเดียวเพราะว่าการดูลมนี้แล้วอาพุโทโธมาผูกนี่ บางทีเราอยากจะพุโทโธให้เร็วหรือช้ากว่าลมมันก็ทําไม่ได้พุโทโธกับลมนี่มันถ้ามันถูก ด, ด้วยกันมันก็ต้องไปตามตามจังหวะของลมเข้าลมออกแต่บางทีจิตเราฟุ้งขึ้นมานี่เราถ้าเราใช้คำบริกรรมพุโทโธเราก็สามารถเร่งคาําควาบริกรรมให้ให้ถี่ขึ้นให้เร็วขึ้นได้ในกรณีที่จิตฟุ้งมากๆพุโทโธธรรมดาเรื่อยๆมันไม่สามารถยับยั้ง ความคิดฟุง้งซ่านต่างๆได้ก็อาจจะต้องบริกรรมพุทธโธให้ตีให้ถี่ขึ้นให้เร็วขึ้นอันนี้สําหรับกรณีผู้ใช้พุทธโธ <c oughs> ถ้าผู้ผู้ที่ใช้การดูลมหายใจเข้าออกตอนต้นยังไม่ได้ก็อาจจะต้องอาศัยการใช้คําบริกรรมพุทธโธไปก็ได้หรือถ้าไม่ถนัดที่จะใช้คําบริกรรมพุทธโธก็ใช้บทสวดสวนมนต์ไป ก็ได้ในขณะที่นั่งสมาธินั่งสมาธิแทนที่จะใช้การดูลมหายใจเข้าออกเพราะดูไม่ได้เพราะใจมันฟุง้งใจมันชอบอยังคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ไม่สามารถดึงให้มาดูลมหายใจเข้าออกได้ก็ให้มันไปท่องบทสวดมนต์บทใดบทหนึ่งที่ที่จำได้ก็ได้จะไปบทสั้นก็ได้บทยาวก็ได้ เพียงแต่ว่าต้องสวดไปบ่อยๆถ้าบทสั้นก็ต้องสวดไปหลายๆรอบท่องไปหลายๆรอบในใจไม่ต้องออกเสียงเหมือนกับฌานใช้พุโทโธแทนที่จะใช้พุโทโธก็ใช้อิติปิโสแทนก็ได้สวดอิติปิโสไปสวากขาโตสปตุปฏิปันโนไปแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่อิติปิโสใหม่สวากขาโตใหม่สปุปฏิปันโตใหม่ <c oughs> สวดไปเรื่อยๆจนกว่าความฟุ้งซ่านต่างๆจะระงรับไป พอรั ง, งับไปแล้วก็กลับมาดูลมหายใจต่อไปได้อันนี้เป็นการฝึกสตินั่งสมาธิจิตใจนี้บางวันก็อาจจะฟุ้งมากบางวันก็อาจจะฟุ้งน้อยวันไหนฟุ้งมากนี่นั่งดูลมไม่ได้ก็ต้องอาศัยการสวดมนต์ไปก่อนหรือหรือบางคนใช้คำบริกรรมพุโทโธได้ก็ใช้คำบริกรรมพุโทโธไปแต่ถ้า ถ้าดูลมหายใจเข้าออกได้เลยเพราะวันวั น, ว, น, ว, นวันที่ไม่ฟุ้งใจก็จะสามารถดูลมได้ก็นั่งดูลมไปเลยสําหรับคนที่ใช้บทสวดมนต์ก็สวดไปจนปกระทั่งความฟุง้งซ่านหายไปพอมีได้สติมีมกําลังพอที่จะมาดูลมหายใจได้ก็หยุดสวดมนต์ไปแล้วก็มาดูลมหายใจต่อ <c oughs> นี่คือขั้นของการปฏิบัติถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่อง ใจก็จะเข้าสู่ความสงบความสงบของมันมันมีสี่ขั้นที่เรียกว่ารูปรูปปัจานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แต่เราไม่ต้องไปกังวลว่าตอนนี้อยู่ในขั้นไหนสงบขั้นไหนแบบไหนเรามีหน้าที่เพียงแต่ดูลมหายใจไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะเข้าสู่ความนิ่งสงบเต็มที่ก็ถือว่าได้เข้าสู่ขั้นที่สี่แล้วตอนนั้นใจก็จะว่างจากสิ่งต่างๆนอกจากมีสักแต่รู้ เป็นเอกคัตตารมคือมีแต่รู้เพียงอย่างเดียวแล้วก็มีอุเบกขาใจเท่นั้นจะไม่มีอารมณ์รักชังกลัวหลงกับอะไรต่างๆแม้ว่าจะมีอะไรเข้ามาสัมผัสให้รับรู้ก็ใจก็จะเฉยไม่มีความรักชังกลัวหลงกับสิ่งต่างๆที่มาปรากฏให้รับรู้นี่ก็คือการฝึกการปฏิบัติ ถ้าได้ลองเข้าสู่ความสงบในเบื้องต้นนี้มักจะสงบเพียงชั่วชั่วขณะหนึ่งคือแบบงูแลบลิ้นหรือแบบฟ้าแลบแบบช้างกระเด็กช้างกระเด็กหูนี่ก็ลักษณะของความสงบจิตจะรวมได้เพียงแป๊บเดียวแล้วก็จะถอนออกมาอันนี้กิดจากการที่ยังมีกําลังของสติยังมีกําลังไม่มากพอมากที่จะทําทให้จิตสงบได้เพียงชั่วขณะหนึ่ง แต่ยังไม่มากพอที่จะทําให้จิตสงบได้อย่างยาวนานก็จะแต่ก็จะทําให้เกิดความรู้สึกมหศัศจรรย์ใจขึ้นมในใจว่าโอ้ทำของพระเจ้านี้เป็นของจริงนะไม่ใช่เป็นของโกหกหลอกลวงไม่ใช่เป็นของโกษณาชวนเชื่อแต่อย่างใดเป็นเหตุเป็นผลจริงๆเหตุก็คือสติถ้ามีสติผลก็คือความสงบจะต้องตามมาอย่างแน่นอน มันก็จะทำให้เกิดความศรัท ธ, ธาแบบยิ่งใหญ่พอได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการภาวนา mm. เกิดจากการนั่งสมาธิ mm. จนจิตสงบลง mm. ได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงมันก็เลยทำให้ความศรัท ธ, ธานี้มั่นคงอย่างเต็มที่ อ, อย่างเต็มร้อยทีนี้จะไม่ไม่ไม่คิดจะไปหาความสุขจากความโลภความอยากต่างๆอีกแล้วจะคิดแต่หาความ ทำสุขจากการมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบให้มากขึ้นให้นานขึ้นให้ยาวขึ้น mm hmm. ก็จะทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิ mm hmm. ถ้าไม่ถ้าไม่มีเวลาเพราะต้องไปทำงานทำการก็อาจจะลาออกจากงานไปเลยก็ได้ mm hmm. พอรู้แล้วว่า ง, งานการทางโลกนี้ทำไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้อะไรมากมายได้แต่ความโลภความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ได้เงินเดือนเท่าไหร่ก็ไม่พอ<ม>ได้เงินเท่านี้ก็อยากจะได้เท่านั้น<ม>ก็ต้องดิ้นรนทำไป<ม>แต่ความสุขที่ได้จากการทำงานนี้มันแทบจะมีแบบเดียวเดีย ว, เ, ยวเป็นทุกความสุขแบบควันไฟเวลาเงินเดือนออกก็ดีใจปั๊บเดียวแล้วก็พอใช้หมดปั๊บก็ต้องดิ้นรนหางานหาเงินมาเพิ่มอีกมาถึง <c oughs> เห็น้ทยของการทํางานทางโลกว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างจริงจังไม่ได้ทําให้ใจรู้สึกอิ่มรู้สึกพอเลยแต่กลับทำให้ใจรู้สึกหิวรู้สึกอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วงานทางโลกก็เป็นงานที่ไม่มั่นคงด้วยไม่รู้ว่าจะตกงานเมื่อไหร่ไม่รู้ว่างานจะหมดเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าร่างกายจะเป็นอะไรไปเมื่อไหร่เพราะถ้าเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันเกิด เปลี่ยนไปเป็นอะไรขึ้นมาเช่นไม่มีงานทำความสุขที่ได้จากรายได้ก็จะหายไปหรือว่าร่างกายเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดพิกลพิการขึ้นมาการจะไปทำงานก็ต้องหยุดชะงักไปก็จะเริ่มเห็นโทษของงานทางโลกไปว่ามันไม่ได้เป็นงานที่จะให้ความมั่นคงแก่จิตใจแต่เป็นงานที่ยังสร้างความ วิตกกังวลให้กับจิตใจอยู่เพราะงานทางโลกมันเป็นงานที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีก็มีบางทีก็อาจจะไม่มีก็ได้หรืออาจจะเครื่องมือคือร่างกายก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันอาจจะเป็นอะไรขึ้นมาสักวันหนึ่งก็ได้ก่อนที่จะแก่ก่อนที่จะเจ็บก่อนที่ะจะตายมันอาจจะไปเป็นอะไรขึ้นมาก็ได้ไม่มีใครรู้ประสบอุบัติเหตุอะไรก็ได้ นั้นมันจึงเห็นโทษของการทำงานทางโลกแล้วมันก็เลยเห็นคุณค่าของการทำงานทางธรรมว่าทำทำงานทางธรรมแล้วมันให้ความมั่นคงกับจิตใจให้จิตใจนี้ไม่ไม่วิตกไม่กังวลไม่หวายกลัวเพราะว่างานทางธรรมนี้ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆเหมือนกับงานทางโลกไม่ต้องอาศัยการมีงานทำไม่ต้องอาศัยร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง งานทางธรรมนี้เพียงแต่อาศัยสติสมาธิปัญญานี้เท่านั้นเองที่จะทำให้ใจมีความสุขมีความมั่นคงมคมไม่หวั่นไหวกับการแปรปรวนของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ <c oughs> ก็อยากก็จะค่อยๆเปลี่ยนวิธีการทางานจากงานทางโลกมาให้กับงานทางธรรมมากขึ้นถ้าอยู่ในฐานะที่เลิกทำงานทางโลกได้ก็ไปบวชกันก็มี ไปบวชเลยจะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มที่เพราะถ้าเวลาไปทำงานก็เวลาส่วนใหญ่ก็จะต้องหมดกับการไปทำงานจะเวลามาปฏิบัติธรรมได้ก็เฉพาะวันหยุดทำงานวันทางานก็อาจจะมีเวลาบ้างเล็กน้อยก่อนนอนหรือหลังจากที่ตื่นนอนขึ้นมาก็อาจจะมีเวลาจเจริญสตินั่งสมาธิได้เพียงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องออกไปทำงานต่อ ผลก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะเวลามันน้อยให้กับการปฏิบัติน้อยไปผลเลยไม่เกิดขึ้นมามแต่ถ้าไปบวชได้ไม่ต้องทำงานทั้งโลกได้ก็สามารถจเจริญทำปฏิบัติธรรมได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเลยเพราะการบวชนี้ก็เป็นงานเป็นงานของงานปฏิบัติธรรมนี่คนที่บวช คนที่บวชแล้วไม่เข้าใจว่าบวชมาทําไมนี้ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการบวชเท่าไหร่แต่คนที่รู้ว่าการบวชนี้ก็เป็นการไปทํางานทางธรรมไปปฏิบัติธรรมไปสร้างอินทรีห้าให้กลายเป็นพระห้าขึ้นมาไปทชำระกําจัดความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างการเวียนว่ายตายเกิดให้กับใจอันนี้ ผู้ที่ไปบวชจริงจะรู้ว่าการไปบวชนี้ไปบวชเพื่ออะไรไปบวชเพื่อกำจัดกิเลสไปบวชเพื่อตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดไปบวชเพื่อสร้างธรรมันประเสริฐคือคือสติสมาธิและปัญญาที่จะเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดวิมุตติหลุดพ้นเกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาในใจถ้าบวชแบบนี้แล้วก็จะไม่ไปส น, สนใจกับงานทางโลก แม้จะเป็นงานที่เป็นประโยชน์กับาศาสนาเช่นเป็นงานก่อสร้างสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างอะไรต่างๆเออถ้ายังไม่หลุดพ้นนี้จะไม่ให้ความสําคัญกับงานเหล่า น, นี้เลยจะมุ่งไปที่งานเพื่อให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์เพ่งโดยถ่ายเดียวจะไม่สนใจกับการสร้างถาวาและวัตถุต่างๆที่อยู่อาศัยถ้าจําเป็นจะต้องสร้างก็สร้างแบบแบบเรียบง่ายพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอ ไม่ต้องการให้เสียเวลามากกับการก่อสร้างให้เอาเวลาทั้งหมดมาให้กับการปฏิบัติธรรมเพราะว่าเวลาของชีวิตของแต่ละคนนี้มันก็เป็นของที่ไม่แน่นอนไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยู่ไปถึงอายุแปดสิบเก้าสิบปีหรือร0อยปีกันทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยู่อย่างมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่พิกาพิการอย่างใดอย่างหนึ่ง โอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการโอกาสที่จะตายก่อนวนัยนี้มันก็มีเท่าๆกับโอกาสที่มันจะไม่มีไม่เป็นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความไม่ประมาทในเวลา<อ>ก็รู้ว่าต้องทำงานแข่งขันกับเวลาเพราะว่าเวลาก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็ การเข้าสู่ความชราความเจ็บไข้ได้ปวยความตายก็จะใกล้เข้ามามากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นการที่ไปบวชนี้ถ้าบวชเพื่อต้องการที่จะหลุดพน้นนี้จะไม่สนใจกับเรื่องงานอย่างอื่นเลยนอกจากการชำระจิตใจให้สะอาดด้วยการสร้างศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาขึ้นมาในเบื้องตน้นถ้ายังไม่ไม่สามารถที่จะสั่งสอนตนเองได้ก็ต้องไปพึ่งครูบาอาจารย์ไปหาสำนักปฏิบัติที่เข้ม ท, ที่เข้มข้น กับการปฏิบัติไม่ไปยุ่งกับเรื่องภารกิจทางโลกไม่ว่าจะเป็นกิจนิมนต์ต่างๆก็ดีหรือว่างานก่อสร้างต่างๆภายในวัดก็ดีถ้าเป็นวัดปฏิบัติแล้วท่านจะเข้มข้นคอยตรวจขันเนื่องกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ไม่ให้มีมากหรือให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นหรือบางทีก็ จ, จะไม่ให้ท่านเองต้องมาเกี่ยวข้องด้วยเลยถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องทําอะไร ก็จะสายกําลังของศรัทธาญาติโยมมาช่วยทําให้ต้องการปล่อยให้พระเนนี้ให้มีเวลาที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เลยต้องไปหาสํานักแบบนี้ถ้าถ้าต้องการที่จะหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าต้องการจะพบกับความสุขของพระนิพพานต้องไปหาสํานักที่ท่านเน้นในการปฏิบัติเพียงอย่างเดียว กิจกรรมทางทางโลกทางทางสาวนและวัตถุต่างๆนี้จะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีให้เกิดขึ้นงานอยู่กับทุกข์ขึ้นก็จะไม่ให้มีในวัดเช่นงานบวชงานสมโพธิอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าจะมีก็ต้องทำอย่างเรียบง่ายบางครั้งบางไว้ก็ไม่แม้แต่งานกระถินก็ท่านก็ไม่รับก็มีเพราะมีงานกระถินก็ต้องมีคนเข้ามาเยอะมีคนเข้ามาเยอะก็ต้องมีภาระ ตกไปอยู่ที่พระเนรที่ต้องมาคอยจัดดูแลสถานที่เตรียมสถานที่ให้พร้อม <c oughs> และเวลาหลังจากที่คนกลับไปแล้วก็ต้องมาคอยเก็บสิ่งต่างๆอีก <c oughs> เวลาที่จะไปใช้กับการปฏิบัติก็เลยหายไปเพราะว่าจะต้องเอาเวลามาให้กับการเตรยียมสถานที่รับต้อนรับศรัทธายาทยมที่จะมาทาําบุญทาทาน การที่ท่านไม่รับนี้ท่านไม่ได้หยิงกระนะญาติโยมอาจจะไม่เข้าใจทำไท่านไม่รับกระถิ่เพราะว่าท่านต้องการเน้นงานของการปฏิบัติงานชาระกิเลสมากกว่างานที่จะหาเงินหาทองมาทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเพราะการทํานุบํารุงพ ร, พ, พระพุทธศาสนาที่แท้จริงนี้ไม่ได้อยู่การหาเงินทองมาสร้างถาวรและวัตถุต่างๆการทํา น, นุบํารุงพ ร, พ, พระพุทธศาสนาที่แท้จริงคือการผลิตพระขึ้นมา พระ อ, อริยบุคคลขึ้นมาในในศาสนาต่างๆเพราะพระ อ, อริยะบุคคลนี้แหละจะเป็นผู้ที่สืบทอดเขาทำคําสั่งคําสอนนันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้ถาวัลวัตถุต่างๆนี้ไม่สามารถสืบทอดพระพุทธศาสนาได้ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เจดีย์ใหญ่ขนาดไหนพระพุทธรูปใหญ่โตขนาดไหนก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่จะมาสืบทอดพระพุทธศาสนาได้ สิ่งที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาได้ก็คือพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระศาสนาจะอยู่ได้ก็ต้องมีพระรัตนตรัยองค์ใดองค์หนึ่งอยู่ก็คือตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกแล้วก็มีพระอริยสงฆ์สาวกที่นำเอาพระธรรมในพระไตรปิฎกนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ ถ้าไม่มีพระริยรสงสาวกแล้วพระไตรปิฎกก็จะกลายเป็นเหมือนกับเป็นเป็นหนังสือที่ไม่มีใครสนใจที่จะมาศึกษามาอ่านกันเพราะอ่านแล้วมักจะไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งต้องมีผู้ที่ฉลาดที่จะมามาอธิบายให้เกิดความเข้าใจได้ถ้าไม่มีพระลิยสงสาวกมาเป็นผู้ที่อธิบายมามาแจ้งให้ให้รู้จักว่าเป็นอย่างไรนี้ โอกาสที่จะศึกษาเองแล้วนำมาเป็นปฏิบัติได้นี้จะยากมากจะมีได้แต่น้อยมากต้องเป็นคนที่ฉลาดจริงๆอย่างที่ในบทพระคุณธรรมของใ น, ในธรรมคุณที่สแสดงไว้ว่าเป็นวินยุหิเท่านั้นเป็นเป็นวินยุชนเป็นคนที่ฉลาดเท่านั้นที่เหมาะกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจนี้ก็สแสดงว่าไม่ใช่เป็นวินยุชนละต้องเป็นผู้ที่อ่านแล้วเข้าใจ สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เรียกว่าวิญญูชนวิญญูชนแบบนี้แหละที่สามารถที่จะศึกษาอากพระไตรปิฎกได้โดยที่ไม่มีพระอริยสงสาวกมาช่วยสั่งสอนมาช่วยอธิบายแต่ถ้ามีก็จะทําทให้การเข้าใจการศึกษาง่ายขึ้นการปฏิบัติง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็ยังพอทูถ่าย ไ, ไปได้แต่ถ้ า, าแล้วไม่เข้าใจ ไม่รู้จับต้นชนปลายไม่ถึงว่าจะเริ่มต้นที่ตรงไหนในการปฏิบัติถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าอยู่ไกลาจากธรรมมากไม่สามารถเข้าถึงธรรมได้ถึงแม้จะมีธรรมอยู่ข้างหน้าก็อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้จะไปเริ่มต้นที่ตรงไหนแต่ถ้าอ่านอ่านธรรมแล้วเกิดความเข้าใจรู้แล้วว่าจะต้องเริ่มต้นที่การการศึกษาการปฏิบัติมรคมรค ก, ก็คือเครื่องมือที่จะนําไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ ศึกษาวิธีสร้างมรรคขึ้นมาเช่นสร้างอินทรีห้าให้เป็นพระห้าอันนี้ก็เป็นมรรคอินทรีห้านี้ก็เป็นมรรคนีคือมรรคนี้มีหลายหลายรูปแบบด้วยกันแล้วแต่พระองค์จะทรงแสดงแต่ละครั้งแต่มันก็อยู่ในกรอบของมรรคแปดมรรคแก็มีมีสมาธิมีปัญญาสมาทิติสมาสมาังกโปก็เป็นปัญญามีสัมมาวิริย ะ, ะ, ะก็เป็น ความเพียรสัมมาวยาโมก็เป็นความเพียรมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิก็เหมือนกับอินทรีห้าหรือพละห้าพละห้าก็มีก็มีมรรค ก, ก็มีมีสติมีสมาธิมีปัญญ า, าการแสดงธรรมแต่ละครั้งอาจจะไม่ได้เอามารรคทั้งแปดองค์มาแสดงเพราะผู้ที่ฟังนี้อาจจะมีสถานภาพต่างกันไปที่แสดงโดยที่บางครั้งไม่ได้แสดงเรื่องสัมมา วาจาสัมมากรรมันโตสัมมาชีวโวก็เพราะว่าผู้ที่กําลังฟังอยู่ไม่ได้เป็ น, เ ป, น เ, เป็นผู้ที่มีศีลอยู่แล้วเช่นนักบวชทั้งหลายมีรักษาศีลบอยสุดอยู่แล้วมีอาชีพที่บลอยสุดอยู่แล้วก็เราไม่ต้องเสียเวลาไปแสดงเรื่องของศีลเรื่องของอาชีพก็มุ่งตรงไปที่เรื่องของการภาวนาเลยเรื่องของการเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญา แต่ก็เป็นมรรคทางนั้นแต่ถ้าคนนานพระธรรมจากพระไตรปิฎกแลานแล้วก็ไม่เข้าใจก็แสดงว่ายัางไม่มีปัญญาพอที่จะสามารถหยิบยกพระธรรมันประเสริฐของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาปฏิบัติได้ก็ต้องไปอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์ผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วหรือพระอริยสงสาวกมาเป็นผู้ที่ขอยช่วยสอนช่วย คอสอนคอยบอกวิธีการศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าจะต้องทําอย่างไรศึกษามากน้อยเพียงไรถ้าไม่มีก็บางทีก็ศึกษาแบบโดยเถิดศึกษากันเป็นปีๆเลยศึกษากันเป็นต้องจบป ร, ริญญาเก้าก่อนบางคนก็คิดว่าต้องไปเรียนศึกษาพระอาทิตย์อภิธรรมก่อนถึงจะสามารถไปปฏิบัติได้ตามจริงความเปจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยศึกษาเพียงนิดเดียวก็พอ ศึกษารู้จักเรื่องการเจริญสติท่านั้นน่ะหรืถ้ายังไม่รู้เรื่องศีลก็ศึกษาเรื่องศีลก่อนศีลของผู้ปฏิบัตินี่มีอะไรบ้างศีลของผู้ปฏิบัติก็มีศีลแปศีลสิบศีล2องยยี 7, แล้วแต่สถานภาพของผู้ปฏิบัติว่าอยู่ในสถาภาพไหนถ้าเป็นยังเป็นคารวัตผู้ครองเรือนก็ถือศีลแปดไ ป, ปนอนุบาสกุบาศิกาถ้าบวชเป็นธรรมเนหรือเป็นชีก็ถือศีลสิบไป ถ้าบวเป็นพระภิกษุก็เสือศีนสองรอยิบเจ็ดไปให้รู้แค่นี้ก็พอไม่ต้องไปรู้พระไตรปิฎกทั้งเล่มเลยทำต่างๆที่ยังไม่ไม่ทำส่วนใหญ่มันเป็นธรรมที่ซ้ํากันซ้ําไปซ้ํามาพูดเรื่องเดียวกันขอให้เราศึกษาเรื่องที่เราต้องปฏิบัติเท่านั้นก็พอว่าเราต้องทําอะไรเราต้องมีศีนก่อนก่อนที่เราจะไปปฏิบัติสติสมาธิปัญญาได้เราต้องมีศีนเพราะถ้าเราไม่มีศีนแปดเราก็จะไม่มีเวลา ก็จะถูกกิเลสเอาเวลาไปทําอย่างอื่นแทนถ้าถือศีลห้านี้กิเลสยังพาชวนเราไปเที่ยวได้ไปกินข้าวเย็นได้ไปดูหนังฟังเพลงได้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้อยู่ถ้าเวลาไปทํากิจกรรมเหล่านี้เวลาที่จะมาเจริญสตินั่งสมาธิมันก็จะไม่มีต้องถือศีลแปดศีลแปดนี้ไว้เพื่อกันไม่ให้ไปทํากิจกรรมทางการอารมณ์ทางรูปเสียงกิ่นลส ไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครไม่ให้กินอาหารตามความอยากตลอดเวลาให้กินช่เฉพาะเช้าถึงเที่ยงวันเท่านั้นหลังจากนั้นก็ไม่ให้กินอาหารอะไรแล้วก็ห้ามดูหนังฟังเพลงเล่บอลสบบอลฮอสบบันเทิงต่างๆห้ามไม่ให้เสริมสวยความงามทางร่างกายเพราะเนเป็นการเสียเวลาเอาเวลามีค่า ที่ยาวไปใช้กับการปฏิบัติทมไปให้กับทาในสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเลยแล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไปให้นอนแค่สี่หรือห้าชั่วโมงต่อวันหนึ่งก็พอการที่จะนอนไม่มากก็คือต้องนอนบนที่นอนที่ไม่สบายเกินไปไม่นอนบนที่นอนที่มีฟูกหนาๆที่มันนุ่มมันสบายเพราะว่าหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาแล้วถ้านอนบนที่ ที่สบายมันก็จะไม่อยากลุกพิเลตตันหาก็บอกอยากจะให้นอนต่ออีกสองสามชั่วโมงก็เลยจะทําให้เสียเวลาอันมีค่าของการปฏิบัติไปให้รู้เท่านี้แหละเรื่องของศีลว่มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เราเอาเวลามีค่านี้ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นให้เราเอาเวลานี้มาให้กับการปฏิบัติทำเพลงอย่างเดียวบางตอนให้รู้เรื่องศีแลแปดคำที่สองให้รู้ว่าจะไปปฏิบัติที่ไหนดี เพราะที่ปฏิบัติก็มีทั้งที่ที่สนับสนุนที่จะทำให้การปฏิบัติง่ายได้หรือไปที่ที่ไม่สนับสนุนที่จะทำให้เป็นการปฏิบัติยากเย็นก็ต้องรู้ว่าต้องไปหาที่สงบถ้าอยากจะทำใจให้สงบนี้ต้องไปหาที่สงบกายต้องวิเวกก่อนใจถึงจะวิเวกได้วิเวกก็คือสงบนึ่วิเวกวางเวงกายจะวิเวกวางเวงสงบในสมาธิได้ก็ต้องอยู่ในสถานที่ที่สงบทางร่างกายก่อน ต้องกายวิเวกก่อนก็คือต้องไปปลีกวิเวกถ้าไปปฏิบัติอยู่ในที่ที่มีคนเยอะแยะมีกิจกรรมต่างๆหรือมีเสียงหรือกระทึกคุกคองนี่การปฏิบัติมันจะเป็นไปได้ยากจะทําใจให้สงบได้ยากต้องไปอยู่ตามสถานปฏิบัติธรรมที่สงบสงดัดตามป่าตามเขาตามวัดป่าวัดเขาตา่างๆต้องรู้จักสถานที่ของการปฏิบัตินเมื่อได้สถานที่แล้วก็จะได้ ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ได้เจริญสติได้นั่งสมาธิแล้วก็ก็ไปเรียนต่อว่าการเจริญสติต้องทำอย่างไรการเจริญสติก็ต้องคอยควบคุมใจให้ระลึกอยู่กับเรื่องเดียวอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องสิ่งที่เราสามารถระลึกอยู่ได้ตลอดเวลาเพราะมันอยู่กับเราอยู่แล้วก็คือร่างกายนี่ก็คอยเฝ้าดูร่างกายไปตั้งแต่เราตาขึ้นมา พอลืมตาขึ้นมาก็คอยดูว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กําลังอยู่ในท่าไหน duel, กํากลังอยู่ในท่านอนก็รู้ว่ากําลังอยู่ในท่านอนพอลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่ากำลังลุกขึ้นมานั่งไม่ให้ใจทิ้งร่างกายไปเลยคอยเฝ้าการเคลื่อนไหว wert, ต, ต่างๆของร่างกายตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับใจก็จะมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่ลอยไปลอยมาใจก็จะไม่คิดมากอาจจะมีคิดบ้างแต่ก็ยังไม่คิดมากเหมือน ก, กับตอนที่ไม่มีสติ ถ้าม่มีสติมันจะคิดฟุ้งซ่านคิดอย่งกระทั่งเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นตอนนี้วันนี้ไปไหนมาไหนมีคนบ่น บ, บ่นเรื่องฝุ่นกันทุกคนไอ้บ่นมันทำไให้นมองมันเห็นที่ไหนเนาะไปดูตัวได้ที่เขาบอกว่ามีฝุ่นท่านนั้นเท่านนี้ก็เครียดกันขึ้นมานะเราไม่เห็นเห็นอะไรเลยแล้วไม่รู้เรื่องของมันก็เราก็อยู่ของเราไปเราอยู่ในปัจจุบันไปมันก็มันจะมีฝุนมากฝุนน้อยมันก็หนีไม่พ้นแก่เจ็บตายเนาะคนเรานั่งกายมันก็มีแค่นี้ ให้รู้ความจริงกันนี้ดีกว่ารือว่ายังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายขุนจะมากขุนจะน้อยมันก็ไม่ได้มาห้ามความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าเรายอมรับความแก่ความเจ็บความตายได้แล้วเหตุการณ์อะไรต่างๆนี้มันจะไม่ค่อยมาสร้างความเดือดร้อนใจให้กับเราเลยเราไปรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้สิ่งที่ควรรู้กับไม่ไม่ยอมรู้กันสิ่งที่ควรรู้ก็คือความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ยอมรับรู้กันไปรับรู้สายเรื่อง ไฟทางธรรมชาติไฟไมหม้บ้างอะไรบ้างน้ําท่วมบ้างไม่รู้เรื่องรเหล่านี้ก็ทําให้เกิดความวิตกกังวลหวาดกลัวกันขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้เรื่องแก่เจ็บตายว่าเป็นเรื่องที่เราหลีกหนีไม่พ้นล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เราต้องยอมรับมันให้ได้พอเรายอมรับมันได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรต่อไป <c oughs> เราต้องคอยควบคุมความคิดเวลาเราจเจริญสตินั่งสมาธิ อันนี้ก็คือขั้นสติขั้นสมาธิแล้วหลังจากได้สมาธิแล้วชนานาญทางสมาธิแล้วค่อยไปทางปัญญาปัญญาก็ให้ศึกษาแค่สามอย่างทั้งนั้นหนึ่งสามสี่อย่างอริยสัจสี่ให้รู้ว่าทุกเกิดจากการหาความอยากของเราแล้วก็รู้จักวิการยดับทุกข์ก็ต้องมีมรรคก็มีศีลสมาธิปัญญาก็มีอินรี่ห้าเนี่ยมีปละหะที่จะมาดับความทุกข์ทางใจของเราได้ ก็ให้รู้แค่นี้แล้วก็สิ่งที่จะทําให้เราละความอยากต่างๆได้ก็คือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจลักแต่นนี่จังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงอย่างยั่งยืนทุกอย่างเป็นความสุขชั่วคราวไดมาวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็อาจจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็ได้ถ้าเห็นว่าเป็นความทุกข์ที่ตามมาก็ก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้หมดใจก็บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นนิพพานขึ้นมานิเป็นบลา เป็นบำลมรำสุก ข, ขึ้นมาใจไม่ได้หายไปไหนใจก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เป็นใจเดิมอยู่เพียงแต่ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่สะอาดบริสุทธิ์เราก็เรียกว่านิพพานใจที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่แหละคือเรื่องของอินรี่ห้าพระห้าที่เราคนที่จะมาศึกษามาเจริญกันให้มากดีกว่าไปกังวลกับเรื่องราวต่างๆที่มันเราทําอะไรไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายนี่เรา เราทำได้ก็คือหยุดการเกิดเท่านั้นวิธีการจะหยุดการเกิดได้เราก็ต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญามาหยุดมันนั้นการมาเจริญอินทรีย์หให้กลายเป็นพระห้านี่แหละเป็นเป็นงานที่จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆทั้งหมดให้หมดไปจากใจของเราได้ถ้าเรามีถ้าเรามีเป็นอินทรีย์เป็นพระห้าแล้วเราสามารถที่จะกําจัดความวิตกกังวลความทุกข์ความหวาดกลัวอะไรต่างๆได้หมดเลยแล้วเราก็จะอยู่อย่างบรลมัสุขขัง ใจของเราจะอยู่อย่างสุขสบายถึงแม้ว่าร่างกายเราอาจจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่ไม่มีกายสามารถห้ามมันได้แต่ใจยังไม่ต้องทุกกับร่างกายต่อไปนี่คือสิ่งการใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับจิตใจของพวกเรามาสร้างธรรมเลิศอันประเสริฐคือสร้างศรัทธาสร้างสติสร้างศรัทธาสร้างวิริยะสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้มีพลังจนกายเป็นพระห้าขึ้นมา ถ้าเมื่อมีพระละห้าแล้วใจก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เวลามีค่าผ่านไปพยายามถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังเจริญสติเรากาลังเจริญสมาธิ เ, เรากาลังเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้จเจริญก็รีบมาจเจริญกัน เรมาเจริญศรัทธาด้วยการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเรากําลังทําความเพียรหรือเปล่าทําเพียรคือการเจริญสติทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่าเรานั่งสมาธิบ่อยหรือเปล่ากิจเราล่วมหรือไม่เรามีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมหรือยังเห็นตายรักเห็นอริยสัจสี่หรือยังนี่คือสิ่งที่เราควรจะถามตัวเราเองในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างให้มันเกิดขึ้นมาได้ แต่พอเราตายไปแล้วนี่โอกาสที่จะมาสร้างสิ่งเหล่านี้มันก็จะหมดไปนี่คือเรื่องของความไม่ประมาทที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวะริวะหาภูราปริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิตทินนางเปตานางุปะกปะปติ อิจิตังปัจจิตังตุมหังคิดมะเมวะสมิชาตุสัพเพตุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทิคายุโกภวะ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 ถ้ามาถามหลังจากที่เลิกแล้วนี่จะต้องขออภัยไม่สามารถจะตอบให้ได้งั้นถ้าอยากจะถามก็ถามตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับฟังทาง f a c e b o o สาม0้อยเก้าสิบท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์สามร้อยสิบห้าท่าน y o u t u ด e ดกตรวีห้าสิบเก้าท่านวิทยุออนไลน์สิบสามท่านคลับเฮาห้าท่านหน้ากุติร้อยเจ็สิบสามท่านรวมทั้งหมดเก้าร้ยห้าสิบห้าท่านครับประจักษ์มีคำถามจากทางหน้ากุตินะคะข้อที่หนึ่งค่ะ ถ้าต้องการหุงข้าวสารแล้วมอดอยู่ในข้าวไม่สามารถนําออกได้หมดควรปฏิบัติอย่างไรหากมอดตายจะเป็นบาปหรือไม่คะก็ไปทําทานทั้งหมดเรื่องอันไหกินไม่ได้ก็เอาไปโปรยให้นกให้กากินไปได้บุญดีกว่าได้บาปข้าวก็เสียไปเหมือนกันเอเสียแบบไหนเสียในท้องเราก็เป็นบาปอ้าเสียอยู่ในท้องนกท้องกาเราก็เป็นบุญนะ ข้อที่สองค่ะถ้ามีปลวกขึ้นบ้านแล้วเราต้องการกำจัดควรมีวิธีปฏิบัติอย่างไรหากเรียก บ, บริษัทกำจัดปลวกจะบาปหรือไม่คะถ้าเราไม่ไปสั่งเขาเ้าอาสามาก็ไม่บาปอย่าไปสั่งเขาช่วยมากำจัดปลวกให้หน่ว ย, ยบาปทำเองก็ดีสั่งให้เขาทาให้เราก็ดีก็บาปแต่ถ้าเขาอาสาสมัครเขาอยากจะได้เงินอยากจะเป็นอาชีพของเขาเขาอาสามาสมัครด้วยความเต็มใจอ อันนี้เราก็ไม่บาปจากทางนักกุฏิค่ะกับเรียนถามเจ้าค่ะถ้าเราตายไปแล้วเราจะควบคุมจิตหรือเจริญสติได้ใหม่เจ้าคะไม่ได้หรอกเหมือนตอนนอนหลับเวลาตายก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับนอนหลับนี่เราไม่สามารถควบคุมใจเราได้ผู้ที่มาควบคุมใจเราก็เคอบุญกับบาปนี่จากทางเฟ๊ค่ะ หับเรียนถามพระอาจารย์คนในครอบครัวเสียชีวิตไปแล้วเวลาผ่านไปประมาณเกือบปีเราญาติก็จะจัดงานทอดผ้าป่าทำบุญให้แบบนี้คนตายจะได้บุญไหมคะถ้าเราอุทิศไปแล้วเขารอรับอยู่ก็ได้บุญแต่ถ้าเขาไม่รอรับหรือเราไม่อุทิศไปเขาก็จะไม่ได้บุญ <c oughs> <c oughs> จากคุณสายทองคะ่ะ <c oughs> ปฏิบัติอยู่แต่ว่าจิตไม่สงบเพราะว่าลูกชายดูดยาบ้าจิตก็เลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเจ้าค่ะจะถามว่าควรจะทําอย่างไรดีคะควรจะปรงัยก่อนพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ภายใต้โกฎแห่งกรรมลูกเราก็เป็นบุญเป็นกรรมของเขามาอย่างนี้เขาเลยต้องมาเป็นอย่างนี้เราก็ไปเปลี่ยนแปลงไปทำอะไรให้เขาไม่ได้ เราไปทุกไปอยากให้เขาไม่เป็นเราก็จะทุกไปกเปล่าๆงั้นเราก็ต้องวางเฉยปล่อยให้เป็นบุญเป็นกรรมของเขาไปถ้าเราช่วยเขาได้ก็ช่วยไปถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องทําใจจากคุณสมศรีค่ะ <c oughs> ได้ไปช่วยงานที่วัดเวลานําอาหารขึ้นถวายพระเช่นมีไข่ต้มสองถาดพี่ที่เป็นจิตอาสาบอกว่าให้เอาขึ้นไปถาดเดียวก็พอ อีกถาดเก็บไว้ให้พวกพี่ๆเขาทานกันสงสัยเขาว่าทำไมถึงไม่ถวายพระไปก่อนแล้วค่อยมาเก็บทีหลังเพราะเจ้าภาพเขาตั้งใจถวายพระอยู่แล้วเช่นนี้เขาจะบาปไหมคะผู้ที่นำอาหารที่ยังไม่ประเคนพระจะบาปไหมคะถ้าเป็นคารวะนี้อาจจะไม่ควรแต่ถ้าเป็นพระท่านครูบาอาจารย์เห็ น, นว่าพระอาหารมาให้พระมันก็มากเกินไป เรามีญาตโยมมาร่วมทำบุญก็แบ่งให้ญาติโยมไปบ้างก็ได้อย่างนี้ก็ไม่บาปทำด้วยความเมตตาไม่ได้ทาด้วยความโลภหรือความหวงแต่อย่างไดแต่ถ้าทำด้วยความโหวงญาติโยมอยากจะกินอะไรไม่อยากให้พระกิน <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ก็บาป <c oughs> อยู่ที่ว่าใครใครเป็นคนพูดแล้วพูดด้วยเจตนาอะไรจากคุณวิรพัทค่ะกับยันถามพระอาจารย์ค่ะ การที่เราฝึกจิตปฏิบัติธรรมทุกวันเป็นการสะสมอินซีห้าและพละหา้าและถ้าวันหนึง่งพลาห้าเราถึงพร้อมเราก็จะบรรุธรรมในขั้นต่างๆถูกไหมคะใช่แล้วก็จะเป็นบูนเหนือน้ำขึ้นมาพอาพละห้าครบบริบูรณ์นี่การบรรลุมั่งผลนิพพานขั้นต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วจากทางอินบ็อกค่ะ โยมตั้งใจจะถือศีลแปดปฏิบัติที่บ้านในระยะยาวทำบ้านให้เป็นวดัดขอถามทางตอบไป น, นี้ค่ะข้อแรกค่ะเตียงห้ามนอนแบบอัดนุ่มมีสปริงแต่ห่มผ้านวมนอนหมอนที่มีนุ่นได้หรือไม่คะถ้าเป็นฟูกบางๆประมาณสักนิ้วหนึ่งเพื่อกันความเย็นหรืออะไรอันนี้ก็พอจะนุ่นล่กันได้แต่ไม่ใช่เป็นเตียงแบบนอนแบบให้มันสบาย ข้อสองค่ะใช้เตียงยางพาราแบบแข็งหนาห้าเซนได้ไหมคะที่บ้านเป็นพื้นกระเบื้องนอนแล้วดูดร่างกายมักทําให้หนาวสั่นเป็นตะคริวจําเป็นต้องปูรองพื้นให้หนาค่ะได้ถ้าทําเพื่อสุขภาพก็ทําได้ข้อสค่ะทราบว่าห้ามออกกําลังกายแต่จะสามารถยืดเหยียดเส้นสายแบบโยคะได้ไหมคะเวลาปวดเมื่อยได้เพียงแต่ ว, ว่าควรจะทำํำในที่ที่เป็น ไม่เป็นที่สาธารนณะไม่ต้องให้การให้คนอื่นเข้าเห็นเราทํากิริยาการที่อาจจะดูไม่สํารวมสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมแลต่ออกกาลังกายก็ออกได้นะข้อสี่ค่ะเดินจงกรมนี่ก็เป็นการออกกําลังกายอย่างข้อสี่ค่ะสามารถเดินลู่วิ่งในบ้านแล้วก็ขับรถได้ไหมคะเวลามีธุระค่ะอันนี้ก็มัน ส, สมัยพุทธกาลมันก็ไม่มีรถเลอก็ <laughs> เลยแล้วแต่ ถ้าจำเป็นถ้าเดินไม่ไหวจริงๆอย่าใช้รถก็ได้แต่ถ้าเดินได้ก็จะได้ความเพียนได้ความพยายามได้ขันติความอดทนก็ต้องพิจารณาความเหมาะสมของแต่และบุคคลก็แล้วกันว่าทำอะไรได้หรือไม่ได้อย่างไรข้อที่ห้านะคะยาสระผมสบู่ถ้ามีกลิ่นสมุนไพรธรรมชาติเช่นขมิ้นมะกรูดใช้ได้ไหมคะหรือต้องเลือกแบบไม่มีกลิ่นเท่านั้นคะ ได้คือการไม่ให้มันมีกลิ่นเพราะเราไม่ต้องการจะเสพความความหอมของกลิ่นเท่านั้นเองแต่ถ้าเราใช้เพื่อรักษาร่างกาย ก, ก็ใช้ไปเถิดข้อสุดท้ายค่ะยังสามารถดูสื่อที่ไม่เกี่ยวกับความบันเทิงได้ไหมคะเช่นข่าวสารบ้านเมืองรายการสุขภาพวันละไม่เกินสามสิบนาทีค่ะแล้วแต่ความเข้มข้นของการปฏิบัติถ้าเข้มข้นมากๆก็ไม่รับไม่รับรับรู้ทางโลกเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม เพราะแม้แต่เรื่องสื่อสื่อสารเรื่องข่าวเช่นตอนนี้ข่าวเรื่องฝุ่นนี้พอมันได้ข่าวนี้แล้วมันใจมันก็วิวตกกังวลขึ้นมาแะถ้าไม่ได้รับข่าวก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีเราก็อยู่ของเราตามปกติไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เควป้องกันไม่ให้ใจเราฟุ้งซ่านกับเรื่องราวต่างๆน แ, แต่เรื่องเรื่องการเมืองเรื่องการบ้านอะไรต่างๆก็อย่าไปรู้เลยดีกว่ารู้เรื่องธรรมดีกว่าหรือว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา จากทางช่องดรวีค่ะการที่ลูกมองเห็นความลวงของเรื่องทางโลกมากขึ้นเป็นปกติของการปฏิบัติแบบนี้ถือว่าถูกต้องไหมคะการรู้เรื่องอะไรนะความลวงของโลกค่ะความลวงของโลกใช่ค่ะก็เป็นบัญญัติไงเพราะโลกนี้ก็เป็นโลกของมายาไม่ใช่โลกของความจริงพวกเราทุกอนนี้ไม่ได้เป็นของจริงหรอกพวกเราเป็นของของปลอมใช่ไหร่างกายของเราเป็นแค่ดินน้ํำลมไฟ ที่นที่สุดก็ต้องแตกสลายไปแต่เราไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเราแต่ถ้าเราพิจารณาทำอยู่บ่อยๆ mm. ก็จะเริ่มเห็นว่าร่างกายนี้มันก็เป็นเพียงแค่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นเอง <c oughs> จากช่อง YouTube ค่ะกราบเรียนถามครับปกติถือพรมจรรยร์รักษาศีลอยู่มานานแล้วแต่ในฝันควบคุมตัวเองไม่ได้มีการเสพสังวาสและฝันตื่นมารู้สึก ล่วงพรมอาจารย์ได้กระทําผิดรู้สึกแย่ควรทําใจอย่างไรดีครับเพื่อไม่ให้ฝันแบบนี้ครับคือเวลาเรานอนหลับนี่เราฝันเราควบคุมความฝันไม่ได้มันเป็นเรื่องของวิบากเรื่องของจิตใจของเราว่าเราได้เจริญมาถึงขั้นไหนแล้วถ้าเรายังมีความเสพกามอยู่ในขณะที่เรานอนหลับกำฝันไปก็แสดงว่าจิตเรายังไม่ได้ละการมารมยังไม่ได้ละการเสพ แต่ถ้าเราอยากจะละเราก็ต้องนอกจากถือศีลแปดแล้วเราต้องเจริญหนัาสุภาพเท่านั้นถ้าเห็นร่างกายไม่สวยไม่งามต่อไปมันก็จะไม่มีความอยากจะเสพกามกับใครแต่การรักษาศีลนี้มยังไม่สามารถหยุดการอยากจะเสพกามได้เพราะมันเพียงแต่เป็นรั้วกัน้นไม่ให้ไม่ให้ไปทำเท่านั้นเองแต่ในใจมันยังด่นอยู่มันยังยังอยากอ ย, กอยู่ถ้าอยากให้ใจหยุดดิ้นต้นให้มันเห็นหน้าสุภาพเห็นร่างกายที่สวยงามกลายเป็นร่างกายที่น่าน่ากลัวน่าขยะแขยง พอในร่างกายมันเป็นหน้ า, นากลัวหน้าขยะขยงก็มันก็ความอยากจะเสพมันก็จะไม่มีต้องใช้อสุภะ<ม>ถ้ายังไม่ใช้อสุภะก็ยังนอนหลับฝันว่าไปนอนกับคนนั้นคนนี้ได้อยู่เพราะยังมีความอยากอ ย, กอยู่ไม่ต้องไปรู้สึกเสียใจเพราะมันเป็นเรื่องสุดวิสัยเราห้ามมันไม่ได้มันเป็นเพียงนิมิตหมายบอกเราว่าเรากําลังอยู่ในขั้นไหนเผื่อเราลงคิดว่าเราไม่มีการอยากจะเสพกามเราจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นของจริงเพราะของจริงมันยังอยากเสพกามอยู่ การถือสินแปดนี้ไม่ได้หมาควาว่าเราจะไม่เราจะดับความอยากเสพกามได้หมดเลยอาจจะเพียงดัก่การมันไว้ห้ามมันไว้แค่นี้จัดทาง facebook ค่ะจากคุณแตนค่ะสอบถามว่าการให้เงินทองทซั์สินกับลูกถือว่าได้บุญหรือไม่คะให้ได้ให้แต่ได้น้อยเพราะว่าเรายังถือลูกก็เป็นตัวเราอยู่เป็นส่วนหนึ่งของเราอยู่เหมือนกับทาอะไรให้กับตัวเราเราเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปอะไรหาความสุขให้กับเรา มันก็ไม่ได้บุญนะเหมือนกับทางการให้เงินลูกเราไปใช้ใ ห, ให้ลูกเราเห็นใ ห, ให้ลูกเรามีความสุขแล้วเรามีความสุขตามลูกเรานี้มันก็เป็นการทําความสุขให้กับตัวเราเองมากกว่าถ้าอยากจะได้บุญมากๆก็ต้องทำบุญกับคนที่เราเราไม่รู้จักหรือเราเกลียดชังนี้ <c oughs> เปลี่ยนนเปลี่ยนนะเปลี่ยนศัตรูให้มาเป็นมิตรให้ได้อย่างนี้จะได้บุญมากกว่าเพราะมันยากกว่า จากคุณทีคาธนาค่ะขอความเมตตาจากพระอาจารย์อธิบายการบรรลุพระโสดาบันอีกครั้งเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะง่ายๆก็คือพระโสดาบันไม่ได้คิดว่าร่างกายเป็นตัวของตนเองแล้วเห็นว่าร่างกายเป็นแค่ธาตุสี่ดินน้ํำล ม, มไฟที่จะต้องแก่เจ็บตายท่านก็เลยไม่วิตกกังวลกับความแก่ความเจ็บความตายพร้อมที่จะให้มันแก่ให้มันเจบ็บให้มันตายได้จากทางอินบ็อกค่ะ จริงไหมคะตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราไม่สามารถสะสมบุญได้เลยเราทำแต่บาปแต่พอเราใกล้าตายเราจะนึกถึงคำสอนทุกศาสนาหรือนึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะไปในภพภูมิที่ดีได้ไหมคะไม่จริงหรอมันต้องทำในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ต้องระลึกถึงตอนที่เรามีชีวิตอยู่ตอนใกล้าตายนี้มันไม่มีสติที่จะไปนึกถึงคาสอนของใครมันจะมีแต่ความกลัวครอบงาจิตใจอยู่ตลอดเวลา จากทาง YouTube ค่ะกับนวัศ ก, การเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการเจริญสติคือผมใช้บทสดบชสวดสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาจนถึงตัสมาสีลังวิโสทะเยได้ไหมครับเนื่องจากความยาวบทกำลังดีครับได้แต่ต้องสวดอะไรรอบไม่ใช่สวดแค่รอบเดียวเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานานถึงครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งงนี้ เะอย่าทำให้ใจหายฟุ้งซ่านทําให้ใจมีสติพอที่จะมานั่งสมาธิต่อได้ต้องดูว่ามันได้ผลหรือไม่ถ้าสวดแล้วสวดแค่เพียงครั้งเดียวนี่รู้สึกว่าผลยังไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่เหมือนกินข้าวเพียงช้อนเดียวคําเดียวแล้วหวังว่าจะให้ร่างกายมันอิ่มจากการกินข้าวช้อนเดียวนี้มันเป็นไปไม่ได้ต้องกินาไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินจนกระทั่งมันรู้สึกกินไม่ลงแล้วอันนั้นตอนนั้นถือว่าพอแล้ว ก็ต้องสวดไปเรื่อยๆจนกว่ารู้สึกว่าจิตไม่ฟุ้งแล้วไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วสามารถดูลมหายใจได้อันนั้นแหละถึงจะพอจากคุณจิรวัตรค่ะกลับนรรมการเจ้าค่ะค้นพบว่าโยมมีความพยาบาทในใจที่มักฟุ้งขึ้นมารบกวนกั้นของความสงบขอเรียนถามว่าควรทําอย่างไรจะตัดตอนความคิดอกุศลนี้ได้อย่างไรคะก็ต้องใช้ความเมตตาให้อภัย แล้วก็ต้องเห็นด้วยปัญญาว่า <c oughs> เวลาเรามีความอาฆาตพยาบาทนี้เรากําลังกําลังสร้างความทุกข์ให้กับเราเอง <c oughs> คนที่เขาถูกเราอาฆาตพยาบาทเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ทุกข์กับเราแต่คนที่มีอาฆาตพยาบาทนี่ยเป็นคนที่มีความทุกข์งั้นเราต้องมาแก้ที่ตัวเราแก้ด้วยการไม่ไม่ไปอาฆาตพยาบาทด้วยการให้อภัยเขาถ้าเราให้อภัยเขาได้ความอาฆาตพยาบาทมันก็จะดับไปใจเราก็จะเย็นกลับมาเย็นเป็นปกติ <c oughs> จากทางอินบ็อกค่ะตุดจีนผมไปไหว้ตุดจีนได้ไหมครับยายเพิ่งเสียไปปีที่แล้วและยกบ้านของยายเป็นมรดกให้ผมทุกปีลูกหลานจะมารวมตัวกันไหว้ตุดจีนแต่ปีนี้ลูกหลานจํานวนครึ่งหนึ่งคงไม่ได้มาเพราะมีปัญหาด้านสุขภาพและปัญหามรดกญาติพี่น้องไม่ถูกกันครับปีนี้เป็นปีแรกที่ตุดจีนไม่มียาย บ้านเป็นของผมลูกหลานมาไหว้กันที่บ้านของผมแต่หลังยายเสียผมไม่เคยไปอยู่บ้านที่ยายยกให้เลยครับได้ไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้บูชาบุคคลที่สมควรกัการบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพียงแต่ว่าเราจะไม่ไปยึดถือคำสั่งคำสอนของเขาเป็นคำสั่งคำสอนถ้ามันผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง ยังไม่มีใครเลยค่ะโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้ามีก็เชิญเข้ามาถามได้ไม่เก็บตังค์ไม่เก็บค่า <c oughs> ถ้าคําถามเพราะเพราะเก็บมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้เก็บมาแล้วเยอะๆเลมีเข้ามาแล้วค่ะท่าน หนูศึกษาอยู่ต่างประเทศได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติภาวนาจึงรู้สึกเริ่มเบื่อหน่ายเรื่องทั้งโลกหนูควรสําเร็จการศึกษาและทําตามที่พ่อแม่คาดหวังให้สําเร็จก่อนจะละเรื่องทางโลกอย่างสมบูรณ์ถูกไหมคะถูกแล้วแหละเพราะว่าวันนอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบ ก, ก็ได้อาจจะมีศรัทธาวันนี้เดี๋ยวพอไปเจอแฟนเข้าอาจจะศรัทธ า, าจจะหายไปก็ได้แล้วถ้าเราไม่ได้เรียนจบเราก็จะไม่มีวิชาความรู้มาเลี้ยงชีพต่อไป เพราะนั้นเราทําหน้าที่ทางโลกให้สมบูรณ์ก่อนก็ศึกษาเร่อเรียนจนกระทั่งเรามีอาชีพที่เราสามารถพึ่งตนเองได้แล้วทีนี้เราก็สามารถเลือกทางได้ว่าเราจะไปทางไหนต่อไปหมดนล้ว น, นะท่านหมดแล้วก็ท่านนี้ก่อนสําหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธาธุ